วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่ว่าวันเวลา เป็นเหมือนงูใหญ่ที่กำลังเขมอบเหยื่อวันเวลากำลังเขมือ บ, ส, บสัตว์รสัตและสัตว์ประสิ่งทั้งหลายให้หายไปให้หมดไปให้สิ้นไปเรากำลังเดินเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายกัน เรากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังสร้างภพสร้างชาติสร้างการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่ากำลังตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือการกระทาที่พวกเราสามารถทำกันได้อยู่สองทาง ทางสู่การสร้างพบสร้างชาติสร้างการเวียนว่ายตายเกิดกับทางสู่การตัดพบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ถามตัวเองเราอาจจะไม่รู้แล้วอาจจะทำในสิ่งที่เราไม่ปรารถนากัน ถ้าเราไปก่อพบก่อชาติก่อการเวียนว่ายตายเกิดเราก็กำลังก่อความทุกข์ให้กับตัวเราโดยที่เราไม่ปรารถนากันเพราะพวกเราทุกคนปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์กันแต่ถ้าเราไม่คอยสังเกตดูการกระทาของเราว่าเรากำลัง ก็ทำอะไรกันเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการกันคือสร้างความทุกข์กันสร้างภพสร้างชาติกันสร้างการเวียนว่ายตายเกิดกันการที่เราจะรู้ว่าเรากำลังสร้างภพสร้างชาติหรือไม่ เราก็ต้องรู้ว่าการกระทําแบบไหนเป็นการสร้างภพสร้างชาติภพชาติเกิดจากอะไรการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากอะไรตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้และทรงนํามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกพระองค์ก็ทรงตัดไว้ว่า ภพชาติคือการเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากกา마ตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบยศสรรเสริญและวิภาวะตันหาความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญไป นี่คือการกระทําที่จะนำไปสู่การสร้างพบสร้างชาติสร้างการเวียนว่ายตายเกิดสร้างความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาหลังจากที่มีการเกิดแล้วความทุกข์ก็จะมาเป็นขบวนความทุกข์เริ่มต้นตั้งแต่การเลี้ยงปากเลี้ยงทอง ดูแลชีวิตต้องทำรรมาหากินและต่อสู้กับภัยต่างๆภัยธรรมชาติภัยจากบุคคลภัยจากเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ยังต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายมาทุกข์กับการพัดพลาคจากบุคคล และสิ่งที่รักกันไปนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดกันและในระหว่างที่มาเกิดถ้าไปทำบาสมากกว่าไปทำบุญเวลาตายไปก็จะต้องไปรับผลบุญอลนรับผลบาปก่อน ก่อนที่จะกลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ทำบาปก็ต้องไปอบายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอาศุรกายไปตกนรกกันถ้าได้ทำบุญมากกว่าทำบาปก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆ แต่หลังจากนั้นก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ายังไม่ได้กำจัดต้นเหตุของการเกิดคือกามตัญหาภวะตัญหาและวิภาวะตัญหาดัางนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังก่อภพก่อชาติ หรือกำลังตัดพบตัดชาติขอให้เราดูที่การกระทาตามความอยากทั้งสามประการนี้หรือไม่ถ้าเรายังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เช่นเรายังไปเที่ยวกันไปหาความสุขจากสถานที่ต่างๆไปหาความสุขจากการได้ดูได้ฟัง ได้ริ้มรสได้ดมกลิ่นจากการรับประทานอาหารจากการดื่มเครื่องดื่มต่างๆอันนี้แสดงว่าเรากำลังก่อภพก่อชาติกันถ้าเรายังหาลาบยศสรรเสริญเรากำลังก่อภพก่อชาติกันถ้าเรายังรักและหวงลาบยศสรรเสริญ เรากำลังก่อพบก่อชาติกันถ้าเราไปอีกทางหนึ่งไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้น จ, จากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือทางแหง่งทานศีลภาวนาแทนที่เราจะเอาเงินทอง ไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกันเราก็เอามาทำบุญกันอย่างวันนี้แทนที่จะเอาเงินทองไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกงล่นกายเราก็เอาเงินทองมาทำบุญถวายให้กับวัดกันอันนี้ก็เป็นการตัดความอยาก ความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคือกามตัณหาไปและความอยากได้ราบยศได้ลาบคือเงินทองเพราะการที่เรามีเงินทองแล้วเราสละเงินทองนี้ไปมันก็จะทําให้เราลดความอยากที่จะหาเงินหาทองถ้าหาก็หาเพื่อให้เรา ได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้ามีส่วนเกินเราก็เอามาทำบุญเราจะไม่เอาไปเที่ยวกันไม่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นต่างๆนี่ก็เป็นการตัดพบตัดชาติทุกครั้งที่เราทำบุญทำทานทุกครั้งที่เรารักษาศีล ทุกครั้งที่เราภาวนาเราก็กำลังตัดพกตัดชาติกันตัดการเวียนว่ายตายเกิดกันดังนั้นเราควรที่จะทำบัญชีรายรับรายจ่ายเหมือนกับเงินทองที่เรามีบัญชีไว้คอยดูว่ารายรับรายจ่ายของเหล่านี้อย่างไหนมากกว่ากันเพราะ ถ้าลายจ่ายมากกว่ารายรับเดี๋ยวเราก็จะเดือดร้อนต้องเป็นนี่เป็นสินจะต้องขาดเงินทองไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นถ้าเราคอยจดบัญชีไว้เราจะได้หรือว่าเรากำลังใช้มากเกินไปหรือไม่ถ้าใช้มากเราก็จะได้ตัดมันลดค่าใช้จ่ายลง ตัดในสิ่งที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเราก็จะไม่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับเราก็จะมีเงินเหลือมีเงินเก็บไว้สํารองในวันเวลาที่เราไม่สามารถหาไรายได้ได้เราก็ยังจะมีเงินสํารองที่ได้เก็บไว้จาก การที่ไม่ได้ใช้ไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งหลายฉันใดเราก็ควรที่จะทำบัญชีเกี่ยวกับการสร้างพบสร้างชาติหรือตัดพบตัดชาติวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่วันนี้เรากำลังทำตามความอยากคือกามตันหาภาวะตันหา และวิภาวะตัณหามากน้อยเพียงไรวันนี้เรากำลังทำตามทานศีลภาวนามากน้อยเพียงไรถ้าเราทำบัญชีไว้เราจะได้รู้ว่าเรากำลังไปในทิศทางไหนกันถ้าเราทำทานศีลภาวนา มากกว่าการทำตามความอยากทำตามกามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาก็แสดงว่าเรากำลังตัดพพตัดชาติลงจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ส่วนต่างของการกระทำทั้งสองแบบนี้ถ้าทำทานศีลภาวนามาก ทำทําทตามความอยากน้อยจำนวนภพชาติก็จะลดน้อยลงไปมากขึ้นไปตามลำดับถ้ายังทำเท่ากันอยู่ก็ไม่ได้ตัดภพตัดชาติแต่ก็ไม่ได้เพิ่มภพชาติให้มีมากขึ้นเคยมีเท่าไหร่ก็ต้องมีต่อไป นี่คือบัญชีชีวิตของพวกเราที่มีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราว่าจะให้พวกเราอยู่ในกองทุกข์กันหรือจะให้พวกเราออกจากกองทุกข์กันถ้าเราไม่คอยเฝ้าดูการกระทาของเราปล่อยให้ทำไปตามความรู้สึกนึกคิด วันไหนอยากจะทำบุญก็ทำวันไหนอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวมันก็จะไม่รู้ว่าอย่างไหนมากน้อยกว่ากันแต่ถ้าเราคอยทำบัญชีเราจะได้รู้ว่าเราทำอย่างไหนมากกว่ากันแล้วเราจะได้มาทำในสิ่งที่เราควรทำกัน และตัดในสิ่งที่เราไม่ควรทำกันเพราะการมาเกิดแก่เจ็บตายนี้มันไม่ใช่เป็นของสนุกมันมีแต่ความทุกข์รอบตัวนานๆจะได้ความสุขกันสักครั้งหนึ่งส่วนความทุกข์นี้มีอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ทางใจเช่นความวิตกความกังวล ความห่วงใยความวุ่นวายใจความสับสนอะไรต่างๆที่ทําให้เราไม่สบายใจนี่เรียกว่าเป็นความทุกข์ทั้งนั้นมันก็เกิดจากความอยากทั้งสามประการนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรเลยความทุกข์ความไม่สบายใจของเราเนี่ย เกิดจากการตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี้เท่านั้นไม่ได้เกิดเพราะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เกิดจากความอยากให้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้พอไม่เป็นไปตามความอยากก็เกิดความ ไม่สบายใจก่อความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากให้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความไม่สบายใจก็จะไม่เกิดขึ้นมานี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้เกี่ยวกับความทุกข์ใจความไม่สบายใจ และความดับของความทุกข์ความไม่สบายใจนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรความทุกข์ใจไม่สบายใจต่างๆเกิดจากตันหาทั้งสามคือกามตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาการสบายใจการดับของความทุกข์ใจก็เกิดจากการหยุดของความอยาก ทั้งสามนี้การที่จะทำให้ความอยากทั้งสามนี้หยุดได้ต้องมีเครื่องมือถึงแม้จะรู้ตอนนี้ว่าความทุกข์ของพวกเราการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเรานี้มาจากกามทันหะภาวตันหะและวิภาวตันหะก็ตามแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะไปหยุด ตันหาทั้งสามนี้ได้ถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้กับพวกเราคือทานศีลภาวนาเป็นเหมือนเครื่องมือถ้ามีเครื่องมือนี้มีทานศีลภาวนาเราจะสามารถหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้เหมือนกับเวลาที่รถยนต์ยางแตก เรารู้ว่ารถยนต์ยางแตกเรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนยางใหม่แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือในรถไม่มียางใหม่เราก็จะเปลี่ยนยางใหม่ไม่ได้จะใช้กําลังของเรายกล้อขึ้นมาแล้วเปลี่ยนยางใหม่นี่ก็ไม่มีกําลังพอในรถเขาจึงมีเครื่องมือติดไว้สําหรับเปลี่ยนยางเวลา ย, ยางแตก ก็คือมีเรียกอะไรมีเครื่องมือที่คอยยกรถขึ้นมาอแม่แรงแล้วก็มีตัวที่จะขันที่จะไขน็อตออกจากล้อเพื่อที่จะได้เอารอเอายางใหม่ใส่เข้าไปถ้ามีเครื่องมือมีแม่แรงมีที่ขันน็อต ก็สามารถที่จะเปลี่ยนยางใหม่ได้แต่ถ้าไม่มีแม่แรงไม่มีเครื่องมือก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนยางที่แตกได้ก็ต้องวิ่งไปแบบแตกๆวิ่งไปแบบแตกๆก็มีแต่ทำให้รถมันพังไปไหนไม่ได้ฉันใดใจเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ไปไหนมาไหนนี้ เวลาเกิดยางแตกขึ้นมาก็ลำบากกันทุกข์กันถ้าเกิดความอยากขึ้นมาใจก็ทุกข์กันแล้วถ้าไม่มีเครื่องมือมาหยุดความอยากเราก็หยุดมันไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เรารู้ว่าเราทุกข์เพราะความอยากแต่เราก็หยุดมันไม่ได้สู้มันไม่ได้ แต่ถ้าเรามีเครื่องมือที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับเราติดตัวอยู่กับเราตลอดเวลาเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราสามารถเอาเครื่องมือมาหยุดความอยากได้หยุดกามตัณหาหยุดภาวะตัณหาและหยุดวิภาวะตัณหาได้ดังนั้นตอนนี้ถ้าเรายัางไม่มีเครื่องมือ อยู่ในใจเราตอนนี้เครื่องมืออยู่ข้างนอกอยู่ในหนังสือคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ว่าเราจะไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์รูปไหนองค์ไหนไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือธรรมะเล่มไหนก็จะสอนให้เราหาเครื่องมือทั้งสามนี้มา เอาไว้กับตัวให้ได้ให้เราหาทานหาศีลหาภาวนาพกติดตัวเราไปให้ได้ให้เป็นใจที่มีทานมีศีลมีภมาวนาถ้าใจมีทานมีศีลมีภมาวนาแล้วเวลาเกิดความอยากต่างๆก็จะหยุดมันได้ถ้าหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก มันก็จะหายไปพเจ้าก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปนี่คือเครื่องมือที่พวกเรากำลังไม่มีกันเครื่องมือมันอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในใจเรา อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆเวลาเรากาบปรกาบครูบาอาจารย์ไปฟังเทศฟังธรรมท่านเขาสอนเหมือนกันทุกรูทุกองค์สอนให้ทำทานกันมากๆสอนให้รักษาศีลกันตลอดเวลาสอนให้ภาวนากันตลอดเวลาเราฟังกันมาจนหูฉีกแล้ว เราได้ทําตามที่เราได้ยินได้ฟังกันมากน้อยเพียงไรเนี่ยที่ไม่ได้ทํากันก็เพราะว่าเราไม่เคยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆนั่นเองว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่วันเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราน้อยลงไปเรื่อยเรากําลังเดินไปสู่หลักกิโลสามหลักด้วยกันหลักกิโล แรกคือความแก่หลักกิโลที่สองก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยและหลักกิโลที่สามก็คือความตายกันถ้าเราไม่หยุดคิดหยุดนึกถึงวันเวลาที่ผ่านไปผ่านไปเราจะลืมไปเราจะลืมไปว่าเรากำลังใกล้ความแก่ขึ้นไปทุกวันใกล้ความเจ็บไข้ได้ป่วยไปทุกวัน ใกล้ความตายไปทุกวันแล้วพอเราไปถึงหลักกิโลเหล่านี้แล้วการที่เราจะมาทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำนี้มันก็จะยากลำบากและอาจจะไม่สามารถทำได้เลยถ้าเราแข็งแรงตอนนี้เรายังไม่ทำแล้วเวลาที่เราแก่เราเจ็บเราตายเราจะไปทำได้อย่างไร ตอนนี้กำลังแข็งแรงกำลังทำทานได้กำลังรักษาศีลได้กำลังภาวนาได้แต่เราไม่ทำกันถ้าจะไปรอให้แก่ให้เจ็บให้ตายแล้วมันจะไม่มีกำลังที่จะทำกันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราหมั่นถามตัวเองอยู่ได้เรื่อยว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไป เราทํากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังทําตามความอยากเพื่อเป็นการก่อพบก่อชาติก่อความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปหรือว่าเรากําลังตัดพบตัดชาติด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาตอนนี้มาถามว่าตอนนี้เรากําลังทําทานเท่าไหร่เงินทองที่ เราหักออกไว้สำหรับค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นส่วนที่เหลือนี้เป็นเงินที่เราต้องมาวิเคราะห์ดูว่าเราควรที่จะเอาไปทำอะไรบ้างสิ่งที่ไม่ควรเอาไปทำโดยเด็ดขาดก็คือเอาไปทำตามความอยากต่างๆถ้าอยากเที่ยวก็อยากไปเที่ยวอยากซื้อของที่ไม่จำเป็น ของที่มีอยู่พอเพียงแล้วเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของฟุ่มเฟือยต่างๆของประดับต่างๆซื้อมามันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจเหมันเพียงแต่หลอกให้เรารู้สึกมีความสุขประเดียวประด๋วเท่านั้นเองแต่มันจะทําให้เราติดอยู่กับการซื้อสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เรา ต้องทํามาหากินหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อของเหล่านี้ถ้าเรายัางต้องหาเงินหาทองเพื่อมาใช้จ่ายกับความอยากต่างๆอยู่เราจะไม่มีเวลาที่เราจะไปะสร้างเครื่องมือที่จะมาหยุดความตะความอยากต่างๆนี้ได้เลยเพราะการที่จะอะภาวนาการที่จะรักษาศีลนี้เรา จำเป็นที่จะต้องหยุดการหาเงินหาทองหยุดการทํางานนั่นเองถ้าเรายัางต้องไปทํางานหาเงินหาทองการรักษาศีลการภาวนาเนี่ยนี้จะเป็นไปไม่ได้เพราะมันไปกันคนละทิศคนละทางกันถ้าเราอยากที่จะรักษาศีลอยากที่จะภาวนาเนี่ยเราต้องหา ทางหยุดการทำงานกันออตอนนี้อาจจะทำเพื่อหาเงินไว้สำรองเก็บ<ะ> <Job. S 2> ไว้ใช้กับการ เ, ออเลี้ยงดูร่างกายเกออ็บไว้ again, ให้เลี้ยงดูได้หลายหลายปออีถ้ากินน้อยๆใช้น้อยๆกออ็ไม่ต้องมีมากถ้าจะไปทางนี้ต้องมักน้อยสันโดษถึงจะดี จะได้ไม่ต้องหาเงินสำรองไว้มากหาสำรองไว้พอประมาณแล้วก็จะได้หยุดทำงานกันทำงานตอนนี้ถ้าอย่างเงินทองไม่พอที่จะเก็บสำรองไว้ในการสนับสนุนการไปบำเพ็ญจิตตภาวนาก็ต้องหาไปแต่หามาแล้วนี้จะไม่เอาไปใช้ตามความอยาก จะไม่เอาไปใช้ซื้อของไม่จำเป็นต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆจะไม่อาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปดูไปฟังอะไรกันเอาเงินทองที่หามาแสานลำบากนี้มาเก็บเอาไว้สำหรับสนับสนุนในการไปบาเพ็ญจิตตะภาวนาไปรักษาศีลแปดกัน การบาเพ็ญจิตตภาวนานี้จาเป็นที่จะต้องมีศีลแปดเป็นผู้ให้การสนับสนุนถ้าศีลห้านี้จะมีกำลังไม่พอไม่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ความอยากต่างๆก็จะดึงเอาเวลาที่จะไปใช้กับการบาเพ็ญจิตตภาวนานไปหมด แต่ถ้าถือศีลแปดศีลแปดนี้ก็ก็จะปิดกั้นทางเดินของความอยากที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ควรจะกระทาเช่นการไปร่วมหลับนอนกันเช่นการไปเที่ยวเตะกันไปตามสถานบันเทิงไปดูมอหารลสกหรือไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปงานเลี้ยง ไกินไปรับประทานกันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าถือศีลแปดก็จะไม่สามารถทํากิจกรรมเหล่านี้ได้เวลาที่จะสูญเสียไปกับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะได้เอามาใช้ในการบําเพ็ญจิตตภาวนาได้มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิกันมาทําใจให้สงบกันแล้วความอยากก็จะถูก หยุดไว้ชั่วคราวเวลาความอยากหยุดทำงานนี้ใจจะมีความสุขอย่างยิ่งจะทำให้มีกำลังที่จะสู้กับความอยากเวลาที่ออกมาจากสมาธิแล้วมีความอยากก็สามารถใช้สมาธิที่ได้ฝึกฝนแล้วนี้มาหยุด มาสู้กับความอยากได้และใช้ปัญญาเป็นผู้คอยเตือนคอยสอนว่าการไปทําตามความอยากนี้มีแต่จะไปพบกับความทุกข์มีแต่จะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่จะไปดับความทุกข์ไปดับการเกิดแก่เจ็บตายและความอยากที่ทํานี้ก็จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ศาสตร์ใดที่เราไม่หยุดมันศาบตร์ใดที่เราทําตามความอยากเราก็จะส่งเสริมให้มีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะหยุดความอยากหยุดความทุกข์หยุดการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องไม่ทําตามความอยากเราก็อยู่เฉยๆถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขาเราก็จะอยู่เฉยๆได้ ไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกทรมานใจแต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทำตามความอยากนี้มันจะรู้สึกทรมานใจมากทรมานจนไม่สามารถที่จะสู้มันได้ก็ต้องไปทาตามความอยากแล้วก็ต้องไปทำอยู่เรื่อย พราะความอยากมันก็จะเป็นเหมือนลูกคลื่นในทะเลคลื่นในทะเลนี้มันจะซัดเข้าฝั่งมาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันหยุดคลื่นจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อท ะ, ทะเลมันนิ่งเท่านั้นเองความอยากมันจะหยุดในใจเราได้ก็ทั้งทําใจให้เราให้นิ่งให้เป็นอุบเบกขาพอใจเรานิ่งเป็นอุบเบกขาได้ไม่ทําตามความอยากได้ ต่อไปความอยากมันก็หมดกำลังไปมันก็จะไม่มาสร้างภพสร้างชาติให้กับเรามันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเรานี่ก็คือปัญญาที่เราจะต้องใช้เวลาที่เรามาบําเพ็ญจิตตภาวนากันขั้นตอนก็ทำสมถภาวนาก่อนทำใจให้สงบ ให้เป็นอุเบกขาก่อนพอเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาแล้วเราก็ออกไปใช้ปัญญาสู้กับตันหาความอยากเวลาอยากได้อะไรก็ให้พิจารณาสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นความสุขชัวข่วคราวเวลาได้มาก็เป็นสุขกันแต่มันเป็นสุขแบบควันไฟอันนี้จังไม่เที่ยง มาแล้วก็ไปอนัตตาห้ามไว้ไม่ได้สั่งมันให้อยู่ไปตลอดไม่ได้ดื่มกาแฟถ้วยเดียวแล้วให้อิ่มไปตลอดไม่ได้ไปเที่ยวครั้งเดียวแล้วทำให้อิ่มให้พอไปตลอดไม่ได้ถ้าไปดื่มกาแฟถ้วยหนึ่งมันก็สุกเดี๋ยวเดีย ว, เ ด, ยวเดียวมันก็หายไปแล้วความอยากดื่มกาแฟใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่การไปเที่ยวก็เช่นเดียวกัน เวาไปเที่ยวก็เกิดความสุขชั่วคราวเดี๋ยวความสุขนั้นก็หมดไปพอหมดแล้วก็ต้องไปเที่ยวใหม่ไปเติมความสุขใหม่เติมเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันเต็มไม่มีวันอพอมันจะหมดไปเรื่อยๆเหมือนเติมน้ำในตุ่มที่มีรอยรั่วเติมไปเถิดเติมไปเท่าไหร่เติมให้มันน้ำให้มันเต็มเต็มตุ่มเต็มตุ่มล้นตุ่มไปเลย แล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยถ้ามีรอยรั่วเดี๋ยวน้ำมันก็จะไหลออกไปหมดพอไหลหมดก็ต้องไปเติมใหม่คนจลาดจะไม่คอยเติมน้ำแบบนั้นคนจลาดเติมแล้วก็ต้องไปอุดรอยรั่วรอยรั่วสามรอยที่ทำให้ใจเราคล่องอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากนี่เองกามตันหาภววตันหาวิภาะวะตันหา ไม่ใช่ไปทำให้รอยรั่วมันใหญ่ขึ้นด้วยการทำตามความอยากทุกครั้งที่เราทำตามความอยากนี่มันจะทำให้รอยรั่วนี้มันใหญ่ขึ้นทำให้ความสุขที่เราหามาได้นี้หมดหายไปอย่างรวดเร็วแล้วจะทำให้เราต้องหามันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสมัยก่อนเราเป็นเด็กนี่มีเงินวันละสิบบาทยี่สิบบาทเราก็มีความสุขแนละ้ว พอโตขึ้นมาวันละสิบบาทไม่พอใช้แล้วต้องเป็นวันละร้อยวันละพันขึ้นมายิ่งได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องอยิ่งทําให้ความอยากมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้ทาให้มันน้อยลงไปวิธีที่จะอุดความอยากก็คือเนี่ยต้องใช้สมาธิใช้ปัญญามาอุดความอยากรอุดรอยรั่วของใจถ้าเรามี สมถะภาวนามีวิปัสนาภาวนานี้เราจะสามารถอุดรอยรั่วของใจได้ทําให้ความสุขที่เราได้นี้อยู่กับเราไปตลอดเป็นความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากความสุขที่เกิดจากความสงบนิ่งของใจนี่คือเหตุที่เราจํามัำ เ, เป็นที่จะต้องมีทานมีศีลมีภาวนากัน ถ้าเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาต่อให้เราฟังเทศฟังธรรมไปจนวันตายเราก็ยังไม่สามารถที่จะมาตัดทบตัดชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถหยุดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้นั้นการฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวนี้ ยังไม่เพียงพอแต่เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าไม่ฟังแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างเราก็จะทำผิดทำถูกกันหรือไปฟังเทศจากคนที่ไม่รู้จริงก็อาจจะพาให้หลงทางได้เพราะเท่าที่ได้ยินสมัยนี้มรแปดนี้จะกลายเป็นมรเจ็ดไปแล้ว คือสมมาสมาธินี้หายไปไม่จาเป็นที่จะต้องมีสัมมาส ม, มาธิใช้สมมาทิทิสัมมาสังกปร ค, คือปัญญาเลยปัญญาที่ไม่มีสมาธินี่เป็นปัญญาที่ไม่มีกำลังอย่างพวกเราตอนนี้มีปัญญากันรู้ว่าความอยากนี่ไม่ดีอยากดื่มกาแฟนี้ไม่ดี แต่พอเกิดความอยากดื่มกาแฟขึ้นมานี่มือไม้สัน่นใจสั่นไปหมดทำจะไม่ท า, า, าไม่ได้ดื่มมันจะไม่หายต้องเดื่มมันถึงจะหายสัน่นแต่มันหายสั่นเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็สั่นใหม่เดี๋ยวมันก็อยากใหม่นี่เป็นเพราะว่าไม่มีสมาธิไม่มีกําลังที่จะสู้กับอความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากได้น นถ้าไปฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่รู้ไม่จริงก็จะถูกพาให้หลงทางได้แล้วก็จะปฏิบัติแบบไม่มีวันที่จะได้ผลปฏิบัติไปกี่ปีก็จะไม่ได้ผลปัญญาที่มีก็ไม่เป็นปัญญาที่จะหยุดความอยากได้ เป็นญาเป็นปัญญาสองระดับแรกคือสุตตะมายะปัญญากับจินตามายะปัญญาสุตตมายะปัญญาคือปัญญาที่จะให้ความรู้กับเราถ้าเราไม่มีความรู้ในตัวเราเราก็ต้องไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมนี่เรียกว่าสุตตมายะปัญญาเมื่อเราได้ฟังแล้วถ้าเราไม่เอามาค่ายควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆทบทวนอยู่เรื่อย ความรู้ที่เราได้รับมาก็จะจางหายไปได้เราก็จะลืมเหมือนฟังเทศฟังธรรมแล้วพอเรากลับมาจากการฟังเทศฟังธรรมถ้าเราไม่มาค่้ควรมาทบทวนเราไปคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องธุระปะปังอะไรต่างๆเดี๋ยวทำที่เราได้ยินได้ฟังปัญญาที่เราได้รับจากการได้ยินได้ฟังก็จะหายไป ถ้าเราไม่อยากให้มันหายไปเราก็ต้องหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้เราถามตัวเราเองอยู่เนืองๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เราเคยถามตัวเราเองอย่างนี้บ้างไหมคอยสอนคอยบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆ ว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังสร้างภพสร้างชาติหรือเรากําลังตัดภพตัดชาตาิถ้าเราไม่ถามเราไม่หมั่นทบทวนเราจะลืมกันแล้วเราก็จะไปทําตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราควรจะกระทำํำแทนที่เราจะไปสร้างทานศีลภาวนากัน เราก็จะไปสร้างราบยศจะลเสริญกันไปทาตามความอยากกันนี่เรียกว่าปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาที่ไม่สามารถที่จะหยุดความอยากได้ปัญญาที่จะหยุดความอยากได้นี่ต้องเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยสมาธิใจต้องมีอุเบกขาใจต้องรู้จักวิธีทำใจให้เป็นอุเบกขาทำใจให้นิ่งให้เฉย ต, ต่อความอยากได้เวลาออกจากสมาธิถ้าเราเคยทำใจให้สงบทำเป็นอุเบกขาได้เวลาออกจากสมาธิมาเวลาใจไม่เป็นอุเบกขาเวลาเกิดความอยากเราก็สามารถทำให้มันเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ถ้าเรามีตัวที่ทำให้ใจเป็นอุเบกขาก็คือสตินี่เองถ้าเรามีสตินี่เราจะทำให้ใจสงบ ทำให้ใจเป็นอุเบกขาได้แล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากถ้าเรามีปัญญารู้ว่าการทำตามความอยากนั้นนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขเราก็สั่งให้ใจหยุดไม่ไปทำตามความอยากถ้าใจมีสติใจก็สามารถที่จะสั่งให้ใจเป็นอุเบกขาได้ ให้อยู่เฉยๆได้ไม่ให้ไม่ให้ใจสัน่นไม่ให้มือไม้สั่นไปกับความอยากได้นี่คือหน้าที่ของสมาธิที่ผู้ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิจะไม่เห็นคุณค่าจะไม่รู้คุณค่าของสมาธิว่าสําคัญอย่างไรจะคิดว่ามีปัญญาก็สามารถาหยุดความอยากได้ในทางทฤษฎีมันหยุดได้ คิดได้ว่าถ้ารู้ว่าการทำตามความอยากแล้วมันเป็นทุกข์ก็อย่าไปทามันสิอันนี้ก็เป็นทฤษฎีแต่พอถึงเวลาเกิดความอยากจริงๆขึ้นมามันลืมไปหมดมันจะเห็นแต่ว่าต้องต้องเอาสิ่งที่อยากได้เท่านั้นถึงจะดับความทุกข์ได้ถึงจะทำให้มีความสุขได้นน่คือ เรื่องของการที่เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ทางรู้ว่าเราต้องมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็สอนว่าเราต้องมีทานมีศีลมีภาวนาทานนี้ก็เพื่อกําจัดการใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกต้องที่จะทําให้เราต้องหาเงินทองอยู่เรื่อยๆถ้าเราเอาเงินมาซื้อความ ซื้อของตามความอยากต่างๆมันจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆเพราะซื้อมาเท่าไหร่ความความสุขที่ได้จากการซื้อมันก็หายไปหมดแล้วมันก็อยากจะซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราต้องหาเงินอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้คือมารักษาศีลแปด มาเจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้เพราะเราจะเอาเวลานี้ไปกับการหาเงินเพื่อเราจะได้มาใช้กับความอยากต่างๆแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะไปใช้กับความอยากนี้เอาไปทําบุญแทนเราก็จะตัดความอยากไปได้ในระดับหนึ่งต่อไปเราก็จะไม่ มีความอยากที่จะไปซื้อของต่างๆที่ไม่ไม่ฟุ่มเฟือยของต่างๆที่ฟุ่มเฟือยที่ไม่จาเป็นของที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับใจไม่ได้หยุดความอยากเราเอาเงินนี้ไปทำบุญแล้วมันจะหยุดความอยากที่จะไปซื้อข้าวของเงินทองที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆได้เมื่อเราไม่ต้องใช้เงินทองมากเพราะเรามีเงินทองสำรองพอ เราก็หยุดทำงานได้พอหยุดทำงานได้เราก็จะมีเวลาไปบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ตอนต้นเราอาจจะไม่ต้องหยุดแบบถาวรแบบเต็มร้อยอาจจะทำงานน้อยลงไปแทนที่เคยทำร้อยทั้งร้อยก็ลดเหลือห้าสิบทำแค่ครึ่งเดียวก็พอถ้าทำเงินทางานหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้มาเลี้ยงความอยาก ไม่ต้องทำร้อยเต็มร้อยกระดัทําเพียงร้อยละห้าสิบเราก็จะมีเวลาร้อยละห้าสิบมาให้กับการบําเพ็ญจิตตภาวนาได้เราก็จะได้มีเวลาไปปีกวิเวกไปรักษาศีลแปดไปเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบเป็นให้เป็นอุบเบกขาให้มีความสุขพอเรามีความสุขจากการมีอุบเบกขามีความสงบแล้ว เราก็จะมีกำลังที่จะใช้ปัญญามาระ ง, งับมาหยุดความอยากต่างๆได้นี่ก็คือสิ่งที่เรายังไม่มีกันก็คือทานศีลภาวนาทานนี้อาจจะมีกันเพราะเห็นทากันมาอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ก็เห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเวลาที่ไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่า จ, จะเอเงินทองไปทำทานหรือว่าเอาไปเที่ยวกันไปซื้อของพุ่มเฟื่อยกันอยู่หรือเปล่าก็รู้เพียงแต่เดือนละครั้งว่านน้อยเดือนหนึ่งก็มาทำทานกันสักครั้งหนึ่งส่วนอีกยี่สิบเก้าวันนั้นไม่รู้ว่าเอาเงินทองไปทำอะไรกันบ้างเนี่อันนี้เราต้องตรวจตาดูตัวเราเองเพราะผู้ที่ได้รับประโยชน์ได้รับโทษก็ไม่ใช well> ่ไม่ใช่ผู้สอน ก็คือตัวเราเองผู้สอนเพียงแต่บอกวิธีให้รู้จักวิธีดูแลตัวเราเองไม่ให้มาเบียดเบียนตัวเราเองไม่ให้มาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองด้วยการกระทําของตนเองนั่นแหละจึงบอกว่าให้ทําบัญชีไว้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราเอาเงินทองไปใช้กับอะไรบ้างเอาไปใช้กับการทําบุญ หรือว่าเอาไปใช้กับความอยากต่งางๆถ้าไปใช้กับความอยากก็ต้องพยายามลดมันถ้าเรายัางลดมันไม่ได้แบบทันทีทันใดแบบพวกภาพก็เอามันทีละร้อยละสิบร้อยละยี่สิบก็ยังดีลดปริมาณการใช้จ่ายไปตามความอยากให้มันน้อยลงไปแล้วเพิ่มปริมาณในการทําบุญ ทำบุญก็ทำได้สองอย่างทำบุญกับคนอื่นหรือทำบุญกับตัวเราเองทำบุญกับตัวเราเองก็เก็บเงินเก็บทองไว้สำรองใช้สนับสนุนในการไปบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะถ้าเป็นผู้หญิงนี้อาจจะยังต้องใช้เงินทองอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ไปโบสถเป็นพระก็ไม่ต้องใช้เงินทองเลยถ้าเป็นผู้หญิงถ้าไม่ต้องใช้เงินทองก็ต้องทำตัวเหมือนพระ เพื่อทาทาตัวเป็นแจวไปอยู่วัดก็ไปทำงานในวัดเพื่อจ่ายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนค่าอาหารที่อยู่อาศัยอย่าไปถือนือ้อถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เราถือว่าเราเป็นนักบวชเราทำงานในครัวหรือทำงานในวัดก็เพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่เราจะได้มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเพื่อเราจะได้บำเพ็ญ พระท่านก็ทําแบบเดียวกันท่านก็ทําตัวเป็นแจวเหมือนกันไปบวชใหม่ๆนี้ต้องไปเป็นอยู่ท้ายแถวไปรับใช้ครูบาอาจารย์ไปล้างส้วมล้างอะไรไปทํางานต่างๆทําหน้าที่ของพระเพื่อที่จะได้มีปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายเพื่อจะได้เอามีเวลาที่ไม่ต้องไปทํางานนี้มาบําเพ็ญจิตตภาวนา างานการทำทานก็ทำได้สองแบบทำไว้ทาให้กับเราเองก็เก็บเงินไว้เพื่อเวลาที่เราไปวัดเราจะได้มีทำเงินถวายวัดจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าจ่ายค่าอะไรที่จำเป็นต่างๆจ่ายค่าอาหารแต่ถ้าไปบำเพ็ญแล้วมันเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ก็ไม่มากมายอาหารของนักปฏิบัติแค่วันละมื้อก็อยู่ไดเ้เกินไม่มาก เพราะไม่ต้องออกแรงมากผู้ปฏิบัตินี้จะใช้ทางกำลังใจมากกว่าออกออกแรงใจมากกว่าออกแรงกายเังนั้นการกินอาหารไม่จาเป็นต้องกินสามมื้อกินวันละมื้อนี่ก็เหลือเฟือนั่นก็คือเรื่องของทานให้รู้จักใช้เงินให้ถูกวิธีอย่าเอาเงินไปใช้กับความอยากเพราะมันจะผูกมัดเราให้เราต้องไปหาเงินทองอยู่เรื่อย จนทำให้เราไม่มีเวลาที่จะไปปีกวิเวกไปบาเพ็ญจิตตภาวนาได้เราก็ต้องตัดการใช้เงินตามความอยากต่างๆเอาไปทาบุญสนับสนุนวัดวารามหรือว่าจะสนับสนุนตัวเราเองก็เก็บเอาไว้ถ้าเราคิดว่าเรายัางไม่พอแล้วเวลาเราไปวัดเรายังต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่เราก็เก็บเอาไว้ก็ได้อันนี้ไม่เป็นปัญหาอะไร เดบว้ยสำรองไว้สนับสนุนการบําเพ็ญจิตตภาวนาแล้วพอเราทําอย่างนี้ได้เราก็จะลดการทํางานได้ลดเวลาของการทํางานได้เมื่อก่อนเคยทำห้าวันก็อาจจะลดเหลือสี่วันต่อไปก็ลดเหลือสามวันก็อาจจะต้องเปลี่ยนงานที่เราสามารถเลือกเวลาทําได้เมื่อก่อนเป็นลูกจ้างต้องไปทํางานทุกวันอาจจะเปลี่ยนงานมาเป็นขายของเอง ขายของขายตรงขายประกันขายเครื่องสำอางหรือขายอะไรเราก็จะได้มีเวลาที่เราจะไปปีกวิเวกไปบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ไปรักษาศีลแปดได้ไปบำเพ็ญภาวนาได้เพราะเราต้องมีทั้งสามนี้ทานนี้สนับสนุนให้เรามีศีลมีเวลาไปรักษาศีลมีเวลาไปภาวนาศีลก็สนับสนุนให้เรา ได้มีเวลาภาวนาถ้าเราถือศีลแปดพะศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมอื่นๆทางทางความอยากนั่นแหละทางกามะตัญหาศีลก็สามก็ห้ามไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกันอันนี้ก็ห้ามกามะตัญหาไม่ให้รับประทานอาหารมากเกินไปก็ห้ามกามะตัญหาไม่ให้ไปเที่ยวตามแหล่งน่องเที่ยวต่างๆก็ห้ามกามะตัญหาเหมือนกัน ไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ให้เสริมความงามต่างๆมันก็กามะตัญหาเหมือนกันไม่ให้นอนมากเกินไปมันก็เป็นกามะตัญหาเหมือนกันการนอนการหาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปก็เป็นกามะตัญหาเหมือนกันดังนั้นการถือศีลแปดนี้จะทำให้เราร ะ, ะางับหรือว่าลดความความกดดันของกามะตัญหาลงไปได้ แล้วทำให้เราจะได้มีเวลามาหยุดตัณหาทั้งหมดด้วยการมาเจริญสติกันเมืองต้นต้องเจริญสติก่อนถ้าไม่มีสตินี้จะหยุดความคิดไม่ได้ถ้าหยุดความคิดไม่ได้ก็จะหยุดความอยากไม่ได้เพราะความอยากนี่ก็อาศัยความคิดนี่แหละถ้าไม่คิดแล้วมันก็ไม่อยากพอคิดปั๊บมันก็จะอยากพอคิดถึงอะไรมันก็จะอยากได้สิ่งนั้นขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราควบคุมมันพอมันจะอยากเราก็หยุดความคิดเสียให้มันคิดถึงพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอเดี๋ยวความอยากที่จะไปทําอะไรตามความอยากมันก็จะหายไปแล้วถ้าเราหยุดความคิดได้พอเรามีเวลาเราก็ต้องนั่งให้มากๆเพราะจะให้จิตนิ่งให้รวมเป็นหนึ่งนี้มันต้องร่างกายต้องนิ่งก่อน ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวยังทำนู่นทำนี่อยู่มันจะไม่มีวันนิ่งได้มันจะไม่รวมเป็นอุบเบกขาได้เต็มร้อยจะไม่ได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่พอเราสามารถที่จะควบคุมความคิดได้เราไม่ต้องไปทำกิจกรรมอื่นๆตามความอยากเราก็เอาเวลามานั่งหลังจากเดินจงกรมแล้วเราก็มานั่งมาหยุดความคิด ทำจิตให้รวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาขึ้นมาพอเรารู้จากวิธีทำจิตให้เป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาแล้วต่อไปเวลาเราไม่ได้นั่งเราก็ทำให้มันเป็นอุเบกขาได้เวลาเกิดความอยากใจสัน่นมือไม้สัน่นเราก็พุทโธพุทโธไปใช้สติบอกให้มันอยู่เฉยเฉยมันก็อยู่เฉยเฉยได้ถ้ามีสติมีกำลังพอแล้วเราก็จะได้ใช้ปัญญามา ถอดถอนความอยากหยุดความอยากเพราะปัญญาจะบอกว่าทํ า, ท, าทําความอยากนี้จะนําไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้เดี๋ยวไม่ช้า ก, ก็เร็วก็ต้องจากเราไปเวลาจากไปความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็หายไปความทุกข์ที่สูญเสียสิ่งนั้นก็จะเข้ามาแทนที่ให้เห็นว่ามันทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้ หรือถ้าเราหลงรักสิ่งที่สวยงามก็ต้องดูว่ามันไม่สวยงามดูที่ตอนที่มันเสียตอนที่มันตายตอนที่มันดูส่วนที่ไม่สวยงามเช่นถ้าเรารักร่างกายของไข่เราก็ต้องดูเวลาที่ร่างกายเขาตายแล้วเป็นอย่างไรเป็นซากศพแล้วน่ารักน่าดูไหมหรือถ้าดูเข้าไปข้างในภายในได้ภายใต้ผิวหนังได้ก็ดูเข้าไปดูอาการ อวัยวะต่างๆตั้งแต่โครงกระดูกเข้าไปนมันก็จะทำให้เร า, าหยุดความอยากที่จะได้เขามาเป็นคู่รักคู่ของได้มีเกิอหน้าที่ของปัญญาอยากจะต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถึงจะหยุดความอยากได้ถ้าไม่มีไม่มีมันจะสู้ไม่ไหวเดี๋ยวพอดูสุภาษได้เดี๋ยวเดียวมันก็วิ่งกลับไปดูความสวยงามใหม่ แล้วมันจะไม่ยอมกลับมาดูาสุภาษะพอดูแต่ความสวยงามเดี๋ยวมันก็ต้องไปทําตามความอยากก็หยุดความอยากไม่ได้แต่ถ้าจะอยากให้มันหยุดความอยากต้องให้เห็นเอาสุภาษะตลอดเวลาแล้วมันก็จะหยุดได้นี่คือการสร้างเครื่องมือสร้างเครื่องมือที่จะมาตัดทบตัดชาติให้หมดไปจากใจ เป็นเครื่องมือชนิดเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ใช้ในการตัดภพตัดชาติได้ทำให้ท่านได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดให้ท่านได้ไปถึงพระนิพพานกันท่านก็เอาเครื่องมือนี้มามอบให้กับเราท่านใช้เสร็จแล้วท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มันแล้วท่านก็เอามาให้พวกเรากันให้พวกเราเอาไปใช้กันถ้าพวกเราเอามาสร้างกัน มาสร้างามาสร้างทานศีลภาวนากันเดี๋ยวใจของเราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดกันใจของเราก็จะได้ไปสัมผัสกับนิบานังปรมังสุขขังกันใจที่สะอาดบริสุดปราศจากความอยากเรียกว่านิพานใจที่เป็นนิพานนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งนิพานไม่ใช่เป็นสถานที่นิจใจนิพานนี้เป็นสภาพของจิตใจ ที่ได้รับการชำระจนสะอาดบริสุทธิ์จนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจท่านถึงเรียกว่านิพพานังปละมังสุญญอย่างไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจสูญจากความอยากสูญจากการเกิดแก่เจ็บตายสูญจากความทุกข์ต่างๆจึงทำให้เป็นบ๊ปรมมาสุขนิพพานังปรมังสุญญ์อย่างนิพพานังปละมังสุขขังใจที่ สะอาดบริสุทธิ์นี้เรียกว่าใจที่ศูนย์เนี่ยศูนย์จากความสปกปรกศูนจากตัณหาศูนย์จากภพชาศูนย์จากความทุกข์เนี่ยก็เรียกว่านิบบานังปรมังศูนย์อย่างนิบบานังที่เป็นปรมังศูนย์อย่างจึงเป็นนิบบานังปรมังสุขขังขึ้นมาความสุขที่แท้จริงของใจอยู่ที่ความบริสุทธิ์นี้เองถ้าใจยังไม่บริสุทธิ์นี้ยังไม่ได้ ก็ใจก็ยังจะไม่ได้พบกับบรมังสุขขังก็จะได้พบกับสุขบางส่วนตามขั้นของการชำระขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันก็ได้ความสุขในระดับหนึ่งพอขั้นที่สองก็ได้เพิ่มความสุขเพิ่มมากขึ้นพอขั้นที่สามขั้นพระอนาค า, ามีก็มีความสุขเพิ่มขึ้นไปแต่ยังไม่เต็มร้อยจะเต็มร้อยก็ต่อเมื่อได้ถึงขั้นพระอาหารหันต์นิพพานังปรมัง สุขขังก็จะเต็มร้อยขึ้นมาเพราะนิพพานังประมังสุญญ์อย่างจิตสะอาดบริสุทธิ์เต็มร้อยตาสะจาก เ, าเครื่องเศร้าหมองต่างๆคือตัณหาความอยากต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องถามตัวเราเองทุกวันทุกเวลาวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำตามความอยากคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหา หรือเรากำลังมาหยุดความอยากกันด้วยการมาสร้างเครื่องมือที่เรายังไม่มีกันคือทานศีลภาวนากันเรากำลังทำทานกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรากำลังเอาเงินไปซื้อกระเป๋ากันเรากำลังไปเที่ยวกันหรือว่าเราเอากำลังไปทำบุญกันหรือเก็บไว้สำหรับตัวเราเองเรากำลังรักษาศีลแปกันได้หรือยังเราไปภาวนาไปปีกเวกอยู่คนเดียวได้หรือยัง อันนี้เกิดเป็นสิ่งที่เราต้องถามมันเป็นข้อสอบที่เราเป็นการบ้านแล้เป็นข้อสอบต่อไปถ้าเราทำการบ้านได้ต่อไปเราก็จะทำข้อสอบได้ข้อสอบก็คือการหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาเราก็จะหยุดมันได้ถ้าเรามีฐานศีลฐานศีลภาวนาอยู่ในใจของเราดังนั้นขอให้ท่านจงนาเอา สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนทรงให้เราเตือนถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังตัดภพตัดชาติหรือเรากําลังสร้างภพสร้างชาติกันเข้าไปพินพิ จ, จารณาเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา ก็อขอยุตติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาเรวาหาปุราปาริโุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสเมจโตสัพเพโปเรนตตสังกปา จันโทปัณะราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพิติโยวิวาชานตุสัพเพโรโควินัสตุมาเตภวัตอวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีฤทสะนิจจังวุธาปะจายโน จตารโหธรรมวัานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อนนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย วันนี้ทาง facebook youtube เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางวันนี้ทาง facebook ทาง facebook เข้ามาที่สามร้อยสามสิบคนครับทาง youtube เข้ามาที่หกสิบคนครับออืแล้วก็คนที่ขึ้นมาฟังบนเขาสองร้อยสี่สิบเก้าคนครับรวมทั้งหมดวันนี้หกร้อยสาสิบเก้าคนแล้วทางเคเบิลยังทําอยู่ป่ะถ่ายทอดอยู่ครับครับเคเบิลก็ถ่ายทอดอยู่ครับนี่เคเบิลช่องหนึ่งของบางละมุง เฮเบิลอยู่แถวนาเกลื อ, อแถวพัทยานาเกลืออนนี้ก็มีหลายทางทางวิทียุก็มีเวทีออนไลน์นั้นหยุดด้วยวันนี้หยุดหรือเปล่าวันนี้ยังยังไม่เห็นเลยครับไม่ได้เปิดดูยังไม่ได้เปิดดูครับถ้าใครอยากจะถามก็จะส่งไมโครโฟนไปให้ภาวนายกมือขึ้นะอ่าเดี๋ยวส่งส่งไมโครโฟนไปให้ เวลาพูดให้พูดใกล้ๆกับไมโครโฟนหน่อยเพราะมาไมค์มันไม่ไหวเสียงไม่ดังถ้าไม่พูดใกล้ๆกล่าวนสัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะเอ่อดิฉันโยมอยากจะเรียนถามว่าการปฏิบัติสมถะและการปฏิบัติวิปัสนาเจ้าค่ะจะเป็นช่วงรอยต่อกันอย่างไรอย่างเช่นปฏิบัติสมถะก็คือการสํารวมจิตที่จะให้เป็นสมาธิ แล้วเราก็จะมีจิตที่สงบนิ่งพอหลังจากนั้นการที่จะพิจารณาวิปัสสนาเราควรจะดำเนินการโดยขณะที่จิตนิ่งแล้วเราก็คิดโยนิโสมนัสิการใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอกเวลาจิตนิ่งพยายามรักษาให้มันนิ่งนานๆาไว้ลอมให้มันออกจากความนิ่งก่อนเราค่อยมาพิจารณาเช่นตอนนี้เราสามารถพิจารณาทางปัญญาได้ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาที่เรานั่งสมาธิหลับตาแล้วจิตสงบนิ่งตอนนั้นเราไม่ต้องการพิจารณาให้มันนิ่งนอกจากว่ามันไม่นิ่งเพราะมันอาจจะไปเจอทุกขเวทนาความเจ็บทางร่างกายตอนนั้นเราก็ใช้ปัญญาวิปัสสนาพิจารณาทุกขเวทนาเพื่อให้หยุดความอยากที่ทําให้เราทุกขได้ถ้าเราหยุดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปได้ ความทุกข์ใจก็จะหายไปใจก็จะนั่งอยู่กับความอยากต่อไปได้อันนี้แต่ถ้าโดยธรรมดาแล้วเวลาเราพุโทโธพุโทโธแล้วดูลมหายใจจนกระทั่งจิตนิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งเพรานั้นเราต้องประครับประครองความนิ่งให้เป็นนา น, านเพราะความนิ่งนี้จะเป็นกำลังที่เราจะมาใช้ในการต่อสู้กับความอยากเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้ว พอเราออกจากสมาธิมาเดียวเราก็อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานเราก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณาว่าถึงเวลาดื่มหรือยังถึงเวลารับประทานหรือยังถ้ายังไม่ถึงเวลาก็อย่าไปดื่มอย่าไปรับประทานเพราะว่ามันเป็นความอยากแล้วมันจะทาให้อยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอยากแล้วไม่ได้ก็จะทุกข์แล้วได้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วเดียวเขาจากไปก็ทุกข์อีกเนี่ย ดันั้นเราต้องหยุดความอยากทุกครั้งที่เราเกิดความอยากขึ้นมาเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเวลาเราอยู่ในสมาธิเวลาจิตนิ่งนี้ไม่มีปัญหาเพราะความอยากมันทำงานไม่ได้แต่ความอยากมันจะทำงานพอเราออกจากสมาธิมามาริบรู้เรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมาคิดถึงคนนั้นคนนี้ตอนนั้นเราก็มาเจริญปัญญาได้สองลักษณะลักษณะแรกก็คือ ถ้าไม่มีปัญหาไม่มีความอยากเราก็พิจารณาเป็นทําการบ้านไปก่อนเตรมตัวไว้ก่อนอสอนในใจเราอย่าไปอยากของความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะร่างกายเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสอนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการทําการบ้านหรือว่าถ้ากลับออกมาจากสมาธิปั๊บเจอความอยากคือเห็นหน้าแล้วก็เหี่ยวแล้วก็เกิดความอยากให้มันไม่เหี่ยวไม่สบายใจอ่ะแต่ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญา แก้ความความไม่สบายใจว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละมันกไงก็ต้องเหี่ยวถ้ายอมรับความเหี่ยวได้ความอยากก็จะหายไปแล้วความทุกข์ความไม่สบายใจก็จะหายไปนี่คือการทนใช้ปัญญาต้องใช้ระหว่างที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวดาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วถ้ายังไม่เจอความอยากก็ทำการบ้านเตรียมตัวรับกับความอยากไว้ก่อน เป็นความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากคนที่เรารักเนี่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วเวลาเกิดขึ้นเราจะเกิดความอยากไม่ให้เกิดขึ้นมันจะทำให้เราทุกข์ถ้าเราทําการบ้านถอนใจเตรียมใจไว้พอเจอเวลาเจอเหตุการณ์จริงเราก็จะทําใจได้ว่าเออทุกคนต้องพัดพลาดจากกันเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราจะหยุดความอยากไม่แก่ ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายความอยากไม่พัดพ้าก็อยากกันได้ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ทําการบ้านไว้ก่อนพอเจอเหตุการณ์จริงก็อาจจะหยุดไม่ได้ทําใจไม่ได้ mm hmm. ก็มีสองลักษณะการทําทางปัญญา mm hmm. อยู่คนละคาบกับการทําสมาธมิเวลาหนึ่งค mm hmm. าบหนึ่งคาบเรียนหนังสือเนี่ยชั่วโมงแรกก็ทําสมาธิ พอช่วงลงที่สองออกจากสมาธิออกจากห้องสมาธิกเ็เข้าห้องปัญญาไปไปเรียนรู้ถ้ายังไม่มีปัญญาก็ไปฟังเทศฟังธรรมก่อนให้เกิดปัญญาขึ้นมาพอเรียนรู้แล้วก็ไปค่ายควรทบทวนเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วพอเจอความอยากเจอความทุกข์ก็ใช้ปัญญาที่เราได้เรียนมานี้ไปหยุดความอยากยไม่ไปทําตามความอยากถ้ามีสมาธิก็จะฝืนความอยากได้ ถ้าไม่มีสมาธิก็เวลาใจทรมานก็จะสู้ความอยากไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิเราจะมีสติเราจะรู้จักวิธีเวลาใจไม่สบายใจสั่นเราหยุดมันได้เวลาใจทรมานเราหยุดมันได้ด้วยสมาธิด้วยสติไม่ได้หยุดด้วยปัญญาปัญญาเพียงแต่เป็นผู้บอกให้เรารู้ว่าควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเอ่อั้างั้น สมาธินี้ก็ช่วยทำให้จิตเรานิ่งแล้วก็เกิดสติที่จะหยุดอาการทางอารมณ์ที่เราไม่ประสงค์ใช่ไหมเวลาออกมาจากสมาธิเกิดอารมณ์ต่างๆถ้าเรามีสมาธิแสดงว่าเรามีสติเราก็จะมีกำลังหยุดอารมณ์ได้เพราะอารมณ์ก็เกิดจากการปรุงแต่งของของจิตนี้เองพอเรามีสติแล้วก็หยุดความคิดปรุงแต่งได้พอหยุดมันได้อารมณ์ก็จะหายไป ขอถาวิีข้อหนึ่งเจ้าค่ะเรื่องที่บอกว่าความการพิจารณาความไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยเจ้าค่ะนนจะพิจารณายัางไงเจ้าค่ะก็พิจารณาเพื่อให้เราจะได้ปล่อยวางไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆ่าตัวตนนี้มันเป็นสิ่งที่เราสมมุติกันขึ้นมาร่างกายนี้มันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งแต่เราไปสมมุติว่าเป็นนายก่อนายขอเป็นหญิงเป็นชาย เป็นเราเป็นเขาใจผู้มาครอบครองร่างกายนี้เป็นผู้ไปสมมุติเหมือนเวลาเราได้ตุ๊กตามาเด็กๆแล้วก็ตั้งชื่อว่าชื่อน้องแดงน้องเขียวเป็นของฉันตุก๊กตาตอนนี้เป็นของหนูเออเราไปสมมุติใจเราพอได้อะไรมาแล้วเราไปสมมุติว่าเป็นตัวเราร่างกายนี้เป็นตุก๊กตาพ่อแม่เป็นผู้ผลิตพอเราได้ร่างกายนี้มาเราก็ไปไปสมมุติว่าเป็นตัวเราของเรา ถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเราของเราเป็นร่างกายลองค้นหาดูมันอยู่ตรงไหนในส่วนไหนของร่างกายอยู่ในอยู่ที่ผมหรืออยู่ที่ขนอยู่ที่เล็บ อ, อยู่ที่ฟันอยู่ที่หนังตัวเราอยู่ตรงไหนตัดผมไปโกนผมไปแล้วตัวเราหายไปกับมันหรือเปล่าลองค้นดูในร่างกายไม่ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนในส่วนไหนของร่างกายมันจะหาไม่เจอเพราะมไม่มีเหมือนกอับเราหลงคิดว่าเราเดิมกุญแจไว้ในกระเป๋า เราคิดว่าเราเริ่มกุญแจไว้ในกระเป๋าแล้วก็ต้องเข้าไปค้นดูในกระเป๋านี่แหละว่ามันอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าก็เทของในกระเป๋าออกมาให้หมดแล้วค้นดูว่ากุญแจอยู่ในกระเป๋านี่หรือเปล่าถ้าค้นแล้วไม่มีมีแต่อย่างอื่นก็แสดงว่าเราหลงคิดไปเองคิดว่าเราดึงกุญแจไว้ในกระเป๋าฉันได้เราก็ไปหลงคิดว่าเราอยู่ในร่างกายร่างกายเป็นเราเราก็เลยต้องเข้าไปค้นดูในร่างกาย อาการสามสิบสองนี่มันมีเราไหมโคตรไในร่างกายมันก็เจอแค่อาการสามสิบสองเจอผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆน้ําต่างๆที่มีในร่างกายแต่ตัวเราไม่มีตัวเราเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมตัวเราเป็นยังไงที่ว่าเราเรล่านี้เป็นเป็นใครหน้าตามันเป็นยังไงมันเป็นร่างกายเลยร่างกายเป็นตุ๊กตาเนี่ยพ่อแม่ผลิตมาให้เรา เรามาค้อก่อนเราเป็นผู้สั่งผู้คิดเนี่ยผู้รู้เนี่ยคือเราตัวจริงตัวแท้จริงของเรานี้ไม่มีรูปร่างหน้ า, นาตาอะไรอยเงี้ยเราก็เลยมาเอาร่างกายมาเป็นตัวเราเป็นหน้าตาของเราไปนแะถ้าไม่พิจารณาก็จะไม่เห็นต้องพิจารณาถึงจะเห็นเหมือนกับคิดว่ากกระเป๋าคิดว่ากุญแจอยู่ในกระเป๋าก็ต้องเข้าไปค้นดูว่ามันมีจริงหรือเปล่าในกระเป๋า พอเทกระเป๋าออกมาเทของในกระเป๋าออกมาอ้าวไม่มีกุญแจนี an his his an ่แสดงว่ากระเป๋านี่มันก็แค่เป็นกับกับมีของอย่างอื่นแต่ไม่มีตัวเราไม่มีกุญแจร่างกายนี้ที่ว่าเราร่างกายอยู่ในตัวเราก็ลองค้นหามันดูในร่างกายดูอาการ32เนี่ยถามไล่ไปแต่ละการผมเป็นเราหรือเปล่าขนเป็นเราหรือเปล่าเล็บเป็นเราหรือเปล่าฟันเป็นเราหรือเปล่าหนังเป็นเราหรือเปล่าก็ดูกเป็นเราหรือเปล่าหาไปเรื่อย จิต เ, like, เป็นเราหรือเปล่าเจ้าค่ะจิตเป็นตัวรู้ตัวคิดเนี่ยตัวที่ผลิตเดาขึ้นมาเนี่ยออตัวเราไม่มีไงเราจิตเป็นผลิตขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองสมมติขึ้นมาเองเหมือนตุ๊กตามันมีชื่อไหนยต้นไม้เหล่านี้มันมีชื่อไหนยจิตไปตั้งชื่อให้มันนั้นะต้นทุเรียนต้นเงาะต้นกล้วยมันมันมีชื่อก็เปล่าไปถามตัวมันตัวถามตัวต้นไม้ดูรู้จักชื่อตัวมันเองก็เปล่า ไม่รู้หรอกมันไม่มีชื่อเราไปตั้งมันเองร่างกายเราก็ไปตั้งว่านี่เป็นแดงเป็นขาวเป็นเขียวเป็นเราเป็นเขาจิตไปตั้งไปสมมุติเนี่ยถึงจะใช้ปัญญาวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลเหมือนสมัยโบราณเราก็เชื่อกันว่าลวกนี้แบนอย่างใช่ไหมเพราะมองไปมันก็แบนใช่ไหมแต่ก็คนฉลาดเขาก็มีวิธีวิเคราะห์ดูว่ามันไม่แบน เขาก็ดูเรือที่วิ่งเข้ามาจากทะเลเนี่ยเวลาเข้ามาทำไมถ้ามันแบนมันต้องเห็นตัวเรือพร้อมกับเสาธงนะแต่ทาไมมันเห็นเสาธงก่อนตัวเรือล่ะก็แสดงว่าพื้นที่มันเว้ามันโค้งเหมือนเหมือนคนขี่ม้าข้ามเขามาเนี่ยต้องเห็นคนขี่ก่อนที่เห็นตัวม้าใช่ไหมส่วนไหนที่สูงกว่าก็จะเห็นก่อนก็เลยสรุปได้ว่าผิวโลกนี้มันไม่แบนมันเว้ามันโค้ง มันก็เลยกลมอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องมาค้นหาว่าตัวเราอยู่ตรงไหนพอหาไม่เจอในร่างกายก็รู้ว่ามันไม่มีเราไปเราไปคิดขึ้นมาเองเราไปหลอกตัวเราขึ้นมาเองชื่อนี่มันก็เปลี่ยนได้เช่ชื่อแดงเปลี่ยนให้เป็นเขียวเองได้มันเป็นชื่อเราตร้างกันขึ้นมาทนั้นเองตัวเราก็เปลี่ยนมาให้มันไม่เป็นตัวเราก็ได้มันเป็นชื่อ ตัวเราแล้วตัวเราตัวเราแล้วไปยึดไปติดมันว่าเป็นเราเห็นไห ม, ไหมพอได้แฟนมาก็เป็นแฟนเราเดี๋ยวพอหย่า ก, กันก็ไม่ได้เป็นแฟนเราแล้วพอไม่เป็นแฟนเราเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วเขาจะไปกินไปเที่ยวกับใครเราไม่เดือดร้อน แ, แต่พอเป็นแฟนเรานี่จะตายให้ได้ความความหลงว่าเป็นของเราเนี่ทําให้เราทุกข์เป็นของเราแล้วเราจะหวงจะห่วง จะไม่ยอมให้เป็นของใครไม่ให้ใครมาแตะต้อ ง, อางมาพิจารณาความจริงมันไม่มีอะไรเป็นของเราพอเราเห็นแล้วเราจะได้ไม่หวงไม่ห่วงไม่ยึดไม่ติดเพราะรู้ว่ามันก็ไม่เที่ยงด้วยของทุกอย่างร่างกายนี้มันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายพอมันตายมันกลายเป็นอะไรมันก็ไปกลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นเศษกระดูกไปนั่นแหละคือร่างกายคือตัวเราของเรา อต่ตัวที่มายึดมาติดนี่มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือตัวจิตเนี่ยมันยังมีความอยากอยู่มันก็เลยเป็นมีร่างกายอันใหม่เพราะยังอยากดูอยากฟังอยากนมกินอยากลิ้มรสอยู่ก็ต้องมีตาหูจมูกเิ่นกายก็เลยต้องไปเกิดใหม่ mm hmm. ก็จะเกิดไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีความอยากเหล่านี้อยู่เพราะตาายเพรใจไม่ได้ตายแล้วความอยากที่อยู่กับใจก็ไม่ได้ตายมันจะตายต่อเมื่อเราไม่ทําตามความอยาก พระพุทธเจ้าไม่ทาตามความอยากใจก็เลยไม่มีความอยากที่จะดึงให้ไปเกิดใหม่ใจก็เลยเป็นนิพพานใจไม่เกิดนิพพานไม่ได้เป็นสถานที่เป็นใจที่ไม่มีความอยากเมืไม่มีความอยากก็ไม่ต้องไปมีร่างกายถ้าเราไม่มีความอยากจะเดินทางไปไหนเราก็ไม่ต้องมีรถยนต์ที่เรายังไม่มีรถยนต์เพราะเรายังอยากไปไหนมาไหนอยู่นะ่ไ เราไม่มีความอยากไปไหนไม่ไหนอยากจะอยู่บ้านอย่างเดียวมีรถยนต์ไปทำไมเกะกะไปเปล่าเป็นพาราไปเปล่ามีก็ไม่ได้ใช้มันอย่างคนที่ไม่มีความอยากทังตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ได้ใช้ร่างกายไปทำอะไรก็ไม่ต้องมีร่างกายร่างกายที่มีจะตายไปก็ไม่เดือดร้อนถ้าหยุดความอยากได้เราจะไม่ไม่มีความเดือดร้อนกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ใช้มัน เป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วเพราะมีความสุขที่เกิดจากความสงบความที่ไม่มีความอยากอันนี้เป็นความสุขที่สบายกว่านนถึงก็ทําสมาธิกันเข้าใจนะเข้าใจแต่ทําไม่ได้ทำให้จิตไม่อยากนี่ต้องฝึก น, นานจังมีใครอยากจะทำไหมก็บ่า ไม่มีจะได้ให้พิธีกรเอามีคำถามฝากเข้ามาเนี่ยอ่านไปเลยครับคาถามมีห้าคำถามจากจากผู้มาฟังธรรมะบนเขานะครับสภาวะของจิตที่ว่างกับวิญญาณที่ไม่ยึดติดเกาะ อ, อยู่กับธาตุสี่ใช่อย่างเดียวกันหรือไม่ครับวิญญาณก็คือจิตเนะถ้ายังเกาะติดอยู่กับธาตุสี่ก็ยังไม่ว่างยังมีความอยากอยู่ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่เกาะติดกับธาตุสี่คือร่างกาย ร่างกายแก่เจ็บตายก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ข้อสองระหว่างการนั่งสมาธิแล้วได้กลิ่นเหม็นตัวเองมากแต่เมื่อออกจากสมาธิกลิ่นก็หายไปหมายถึงเกิดจากอะไรคะก็หมายถึงว่าจมูกมันดีมันจึงดมมันได้ <laughs> ข้อสามขณะนั่งสมาธิแล้วเห็นเป็นภาพต่อต่อกัน แล้วเมื่อผ่านไประยะหนึ่งเหตุการณ์ที่เคยเห็นในสมาธิก็เกิดขึ้นจริงหมายถึงสภาวะอะไรคะหมายถึงว่ามีตาทิพย์ <c oughs> ข้อสี่จิตของเราสามารถเจอจิตของคนอื่นได้หรือไม่คะเมื่อเราอยู่ในสมาธิถ้ามีพลังก็สามารถติดต่อกันได้พระพุทธเจ้าติดต่อกับจิตของเทวดากายทิพย์นี่ก็เป็นแต่จิตน้วนไม่มีร่างกาย แสดงทำให้กับเทวดาทุกข์ขื่อเพราะมีทรงมีพลังจิตที่สามารถที่จะเชื่อมติดต่อกับจิตดวงอื่นได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านร่างกายข้อห้าสภาวะจิตที่ว่างกับการมีสมาธิแยกกันอย่างไรคะก็ว่างสมาธิก็ว่างเหมือนกันว่างมีสองแบบว่างแบบถาวรว่างแบบชั่วคราวถ้าสมาธินี้เป็นความว่างแบบชั่วคราวเวลา กำหนดจิตให้สงบนิ่งใจก็ว่างจากกิเลสตัณหาความอยากต่างๆแต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเริ่มเห็นอะไรก็ความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่สวนใจที่ว่างด้วยการกําจัดความอยากให้หมดไปด้วยปัญญานี้ก็จะว่างอย่างถาวร อ, อย่างนี้เรียกว่านิพานมีว่างแบบสมาธิกับว่างแบบนิพานคําถามต่อไปจะทางอินบ็อกซ์ครับไม่ประสงค์ออกนามครับ ลูกมีความประสงค์ที่จะบวชชีตลอดชีวิตเพื่อการหลุดพ้นของวัฏสงสารแต่เนื่องจากลูกเป็นผู้หญิงจึงต้องบวชชีและการใช้ชีวิตแบบแม่ชีจึงจําเป็นต้องมีเงินเก็บส่วนตัวมากพอสมควรเพื่อที่จะไม่ลําบากตัวเองและผู้อื่นในการหาปัจจัยสีในระหว่างบวชตลอดชีวิตใช่หรือไม่คะก็ไม่แน่หรอกไปอยู่วัดบางวัดเขาก็เลี้ยงดูเราเหมือนกับเลี้ยงพระ แต่ว่าเราก็ต้องมีการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการทำทำงานอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะไม่เป็นการเห็นแก่ตัวและดัดความเกียดข้านดงนั้นถ้าไม่มีเงินทองจริงๆก็บวดได้แต่ต้องไปหาสำนักที่เขาดูแลแม่ชีดูแลผู้ที่ไปอยู่วัดกันซึ่งส่วนใหญ่วัดครูบาาจารย์นี้ก็อาหารเหลือเฟือ แล้อยู่นี่ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารถ้าไม่จู้จี้จุกจิกไม่เลือกกินเลือกอยู่แล้วก็เหลือเฟืออยู่ได้ถ้าอยากจะบวชจริงๆแล้วต้องไม่จู้จี้จุกจิกคือต้องมากน้อยสันโดษเรื่องปัญหาเรื่องเงินทองก็ไม่ต้องมีอยู่ได้อย่าถือตัวอย่าถือว่าเราต้องเลี้ยงตัวเราเองอันนี้ก็เป็นกิเลสอย่าไปถือว่าเราไปอยู่วัดไปขอเ้ากินอันนี้ก็เป็นกิเลสคิดผิดอีกละ ไม่ได้ไปขอกินมันเป็นสถานภาพของนักบวชต้องอาศัยการดูแลของผู้อื่นพอจะได้มีเวลามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่งั้นความจริงไม่ต้องเตรียมเงินทองไว้ก็ได้แต่ต้องไปเตรียมวัดไปหาสถานที่ที่เรารู้ว่าเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินทองคำถามต่อไปไม่ประสงค์ออกนามครับจากทางอินบ็อกซ์เหมือนกันครับในการเริ่มปฏิบัติก่อนจะนั่งสมาธิต้องสวดมนต์ก่อนไหมเจ้าคะ่ะ ถ้าสวดควรสวดบทไหนต้องสวดเช้าเย็นหรือเปล่าเจ้าคะคือการสวดวนนี้ก็เป็นการฝึกสติเป็นการสร้างสติขึ้นมาเพื่อเวลาเรานั่งจิตเราจะได้มีสติควบคุมความคิดให้หยุดให้หยุดคิดนะถ้าเรามีสติแล้วเราไม่ต้องสวดก็ได้ถ้าเรานั่งแล้วเราสามารถควบคุมความคิดให้จิตอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจไปอย่างเดียวได้ไม่ต้องสวดก็ได้ คำถามต่อไปจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับจากคุณนรงครับกว่าจะรู้ได้ด้วยตนเองเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไหมว่าเราได้โสดาบันถ้าเราไม่เคยสดับหรือมีอะไรเป็นข้อบ่งชี้ว่าเราได้โสดาบันแล้วก็เหมือนกับเวลาเราขับรถไปที่ที่เราไม่เคยไปก็เราไปถึงที่นั้นแนละ้วถ้าเราไม่เห็นป้ายเขาติดว่า เป็นกรุงเทพเป็นชนบุรีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นกรุงเทพหรือเป็นชนบุรีแต่เราจะพูดได้ว่าถ้าใครเขาถามว่าที่ตรงนี้มีอะไรบ้างใช่ไหมที่ตรงนี้มีชายทะเลมีอะไรก็ว่าไปตามที่เราเห็นการปฏิบัติก็เหมือนกันมันไม่มีป้ายติดบอกว่านี่โสดาบันถึงจุดนี้เป็นโสดาบันถึงจุดนี้เป็นสกิดาคามีมันจะไม่รู้หรอกจนกว่าเราไปอ่านหนังสือที่เขาเขาบรรยายสถานที่ เหล่านี้ว่ามีอะไรบ้างเราก็บอกเอ้ยเราไปถึงวันนี้ว่ะแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้จักชื่อมันแค่นั้นเองเราละสักกายะทิฏฐิได้นะนีวะ่ว่ะเราเมื่อก่อนเราไม่รู้เราเรารู้ว่าเราละได้แต่เราไม่รู้ว่าการละนี้ทําให้เราเป็นนั่นเป็นนี่เราไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายเราไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายอันนี้จะรู้ได้รู้ว่าไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตาย อาจจะไม่รู้ว่าเป็นโสดาบันหรือเป็นอะไรต้องก่าจะไปอ่านคำพีอ่านอ่านคำบรรยายของพระพุทธเจ้ า, าอ่าถ้าถึงจุดนี้เราตั้งชื่อว่าโสดาบันนะถึงจะรูะ้เวลากินข้าวเนี่ยกินข้าวจะมีป้ายติดหรือเปล่าอิ่มขั้นที่หนึ่งอิ่มขั้นที่สองิ <c oughs> <c oughs> อ่มจนกินไม่ลง <c oughs> มันก็มีหลายขั้นใช่ไหม <c oughs> มันไม่มีป้ายบอกเวลาปฏิบัต แต่มันจะมีความอิ่มใจสุขใจมากขึ้นความทุกข์ความกังวลใจมันจะน้อยลงไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คำถามสุดท้ายครับแากคุณโท ม, มี่ครับถ้ามีสิ่งกระทบแต่อุเบคาเองเฉยๆไม่รู้สึกอะไรคงเพราะพลังสมาธิยังเต็มอิ่มอยู่ค่ะเพราะอุเบคาเองเรายังไม่ต้องพิจารณาใช่ไหมคะ แค่สักแต่ว่ารู้ก็พอไม่ต้องไปวุ่นวายกับจิตที่กําลังสงบอยู่ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องนอกจากเวลาจิตวุ่นวายเพราะไปถูกอะไรมากระทบก็ต้องใช้ปัญญาถ้าถ้าจิตสงบไม่วุ่นวายไม่คิดอะไรจะเอามาคิดทางปัญญาก็ได้อามาเอามาทำการบ้านซ้อมไว้ก่อนซ้อมกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดเช่นความแก่ความตายความพลาดพาดจากคนที่เรารักเนี่ยซไม่ก่น พอเวลาถึงเวลาเราจะได้ไม่ต้องหลังน้ำตากันอย่างนี้วันที่ยี่สิกตอนนี้ซ้อมกันไว้ก่อนซ้อมกันไว้ก่อนพอถึงเวลาจะได้ไม่ต้องหลังน้ำตาแต่ถ้าไม่ซ้อมไว้เดี๋ยวพอถึงเวลาก็ร้องไห้โฮกันอีกเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ